อนาปติวันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ630 1. อิภิกษุรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกหนึ่งเดือนแสวงหาภาพน้ําฝน 2. อภิกษุรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกกึ่งเดือนทําผ้าอาบน้ําฝนนุ่ง 3. าภิกษุรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลือหย่อนกว่าหนึ่งเดือนแสวงหาภาพน้ําฝน 4. ภิกษุรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลือหย่อนกว่ากึ่งเดือนทําภาพน้ําฝน นุ่งเมื่อภิกษุแสวงหาได้ภาพน้ําฝนแล้วฤดูฝนเลื่อนออกไปเมื่อภิกษุทําภาพน้ําฝนนุ่งแล้วฤดูฝนเลื่อนออกไปควรซักเก็บไว้พึงนุ่งในสมัย 5. ้ภิกษุถูกโจรชิงเอาไป6กภิกษุจีวรสูญหาย7จภิกษุผู้ตกอยู่ในอันตราย8ปภิกษุวิกฤจริตเก้ภิกษุต้นบัญญัติวัสิกะสาธิกะสิขาบทที่4จบ